วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนำไปสู่ความสุขความเจริญของจิตใจการแสดงธรรมที่นี่ก็แบ่งไว้เป็นสองช่วงด้วยกันช่วงส0สบนาทีแรกจะเป็นการแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังกัน ส่วนช่วงที่สองช่วงสามสิบนาทีหลังก็จะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขทำที่จะามาแสดงให้แก่ท่านในวันนี้ก็คือเรื่องของสังสารวัตรสังสารวัตรคืออะไรสังสารวัตรก็คือสถานที่ที่สัตว์โลก ที่อยู่ภายใต้ความครอบงำของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ทั้งสารวัดนี้มีแบ่งไว้เป็นสามภพด้วยกันคือกามภพเป็นภพของผู้ที่เสพกามือเสพ ร, รูปเสียงกิรลดโหตพะภะภ พ, พที่สองเรียกว่ารูปภพ เป็นภพของผู้ที่เสบรูปประชานและภพที่สามเรียกว่าอารูปภพเป็นภพของผู้ที่เสบรูปประชานนี่คือที่อยู่ของสัตว์โลกของพวกอย่างพวกเราพวกเราตอนนี้มาอยู่ในภพกามาภพกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์ ในการมาพบนี้จะมีแบ่งไว้เป็นสองสีกซีกหนึ่งเรียกว่าสุขกติคือสีกที่มีแต่ความสุขอีกสีกหนึ่งเรียกว่าทุกขกติหรืออบายเป็นสีกที่มีแต่ความทุกขททำไมถึงต้องมีการแบ่งไว้เป็นสองสีกเพราะการกระทาต่างกันนั่นเองเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วมาหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกิดลดโผฏภะชนิดต่างๆบางครัง้งบางเวลาก็อาจจะไปหารูปเสียงกิดลดโผฏภะมาเสพด้วยการกระทำบาปเช่นด้วยการฆ่าสัตว์ด้วยการนักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดในการด้วยการพูดปด ด้วยการดื่มสุรายามเมาถ้ามีการกระทำบาปเหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจของผู้ที่กระทำบาปเวลาที่ร่างกายของตนเองตายไปแล้วแต่ดวงวิญญาณหรือจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในอบายที่เรียกว่าเป็นทุกขติ มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งเดรัจฉานสองเปรตอสุรกายสามสี่นรกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกอันนี้จะไม่มีร่างกายเป็นแต่ เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์รุมเร้าต่างๆถ้าเป็นเปรตก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยคอยรุมเร้าดวงวิญญาณอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอนุสวรกายก็จะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวหลอกหลอนดวงวิญญาณถ้าเป็นนรก ก็จะเป็นความอาฆาตพยาบาทที่จะสร้างความทุกข์หลอกให้กับดวงวิญญาณ mm hmm. เป็นไฟนรกไฟนรกแข่งความอาฆาตพยาบาท mm hmm. อันนี้เรียกว่าเป็นซีของทุกขติ mm hmm. ไม่ว่าใครก็ตามถ้าทาบาปแล้วแล้วเวลาที่ตายไปบาปนี้มีมากกว่าบุญ mm hmm. บาปก็จะเป็นผู้ส่งผลก่อน บาปก็จะส่งให้ดวงวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าเป็นอสุลกยัย ถ้าทำบาปด้วยความมาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่เรียกว่านารกมีแต่ความทุกข์ร้อนของความมาคาดพยาบาทเผาผลาญจิตใจอยู่เรื่อยๆดวงวิ ญ, ญญาณเหล่านี้ก็จะอยู่ในสภาพเหล่านี้ไปจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้หมดกำลังลงพอหมดกำลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีอาภัพวาสนาเช่นมาเกิดแบบมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามหน้าตาไม่ผ่องใสมีฐานะยากจนมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่ยืนยาวนานอายุสั้น มีโรคภัยเบียดเบียนมีอาการไม่ครบ32ิเป็นต้นอันนี้เป็นอา น, นิสงของการกระทำบาปที่ยังค้างค้างอยู่ในจิตใจแล้วเมื่อกลับมาเกิดก็จะมีนิสัยเดิมติดติดมากับใจชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ก็จะกลับมาฆ่าสัตว์ต่อเคยลักทรัพย์ก็จะกลับมาลักทรัพย์ต่อเคยประพฤติผิดในกามก็จะก็จะประพฤติผิดในกามต่อ ถ้าเคยโกหกหลอกลวงก็จะกลับมาโกหกหลอกลวงต่อแล้วก็มาสะสมบาปในรอบใหม่แล้วเวลาตายไปก็จะกลับไปเกิดนอยบายใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกกติแต่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางได้ถ้ามาเกิด เนมนุษย์แล้วมาเกิดก็อยู่ในครอบครัวของคนดีอยู่กับคนดีคนใจบุญสุนทานพ่อแม่ก็คอยหล่อร้อมสั่งสอนให้รู้จักบุญ ร, รู้จักโทษรู้จักบาปรู้จักนรกรู้จักสวรรค์ก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากเคยทําบาปก็อาจจะเลิกทําบาปแล้วกลับมาทําบุญตามที่พ่อแม่สั่งสอนก็ได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยน การเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติมาเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในสุกขขติ <c oughs> ผู้ที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่ทำบาปหรือทำบาปน้อยกว่าบุญเวลาตายไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะส่งไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันแล้วก็ไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์ พอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมามาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาคือเกิดในฐานะที่ร่ำรวยหรือเกิดเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสามสิบสอง มีอายุยืนยาวนานเป็นต้นแล้วก็จะมีนิสัยที่ชอบทำบุญติดตัวมาก็จะมาทำบุญต่อแล้วก็เวลาตายไปก็จะได้ไปรับอ น, นิสงส์ไปเกิดในสุคติต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมาเกิดในครอบครัวที่ทำบาบ แล้วก็ถูกอิทธิพลของครอบครัวครอบงำสั่งสอนหรือดึงให้ไปกระทำบาปด้วยก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางของการเวียนว่ายตายเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็อาจจะสลับไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกกติต่อไปก็ได้นี่คือสภาพของดวงวิญญาณของผู้ที่เสพกาม เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆจำเป็นที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าจะได้อาศัยร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือเพราะร่างกายของมนุษย์นี้มีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะชนิดต่างๆนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการมาพบของผู้ที่ของผู้ที่เสพการ ถ้าทําบุญก็จะได้เกิดในการมาพบในซีของสุขกติถ้าทําบาปก็จะเกิดในการมาพบในซีของทุกขกติส่วนพวกที่สามารถรักษาศีลแปดขึ้นไปได้รักษาศีลแปรักษาศีลสิบรักษาศีล227คือเป็นพวกนักบวชสามารถฝึกสตินั่งสมาธิ ให้จิตเข้าสู่รูปประชานได้ตรงนี้เวลาที่น่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในรูปประพบพบของรูปประพรมเป็นสวรรค์ชั้นพรมส่วนอีกพวกหนึง่งถ้าสามารถเข้ารูปอรูปประชานได้อรูปประชานนี่สูงกว่ารูปประชานละเอียดกว่าสงบก ว, ปปสกว่ารูปประชานถ้าเข้าสู่อรูปประชานได้ เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์อรูปพระพรมอรูประพบแต่สวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ภพทั้งสองภพนี้ก็เป็นภพชั่วขราวพอกําลังของสมาธิของฌานเสื่อมลงไปใจก็จะถูกอำนาจของกามาธันหาที่ยังมีฝังอยู่ในใจให้ดึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะไปเสพการบ้างบางครั้งบางคราวแต่จะรู้สึกไม่ชอบไม่สนใจกลับไปสนใจกับการที่จะไปนั่งสมาธิหาความสุขจากการเข้าฌานก็จะกลับมาเป็นนักบวชใหม่กลับมาบวชกลับมาปฏิบัติสตินั่งสมาธิเข้าฌานใหม่ เราตายไปก็จะกลับไปเกิดในรูประภพอรูประภพใหม่นี่คือเรื่องของภพทั้งสามที่วิญญาณของสารโลกอย่างพวกเราทุกคนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่พวกเราบางครั้งก็อาจจะมาเกิดแล้วก็มาทำบาปมากกว่าทำบุญพอตายไปเราก็ต้องไปรับผลของบาปที่เราทำไว้พอหมด หมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วอาจจะเปลี่ยนจากการทําบาสมาเป็นการทําบุญพอเราตายไปคราวนี้ก็จะไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพอกลับมาเกิดใหม่เราอาจจะไปพบคนที่ก็เป็นนักบวชเป็นเพื่อนชวนให้เราไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิพอใจเราได้สัมผัสกับความสงบเราก็ติดใจ เราก็มาฝึกสตินั่งสมาธิเป็นนิสัยพอตายไปเราก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้แต่เราก็ยังต้องวินว่าตายเกิดอย่างนี้เพราะว่าบุญที่ส่งเราไปรับผลในสวรรค์ชั้นเทพก็ดีหรือบาปที่ส่งให้เราไปเกิดในอบายก็ดีมันเป็นของชั่วข่าวหรือสมาธิหรือฌานที่ส่งให้เราไปเกิด ในรูปประพมในรูปประพบหรืออารูปประพบก็เป็นของชั่วคราวพอมันเสื่อมกำลังหมดลงมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเสภกามใหม่หรือเสพรูปประชานใหม่หเสภอารมูปประชานใหม่แล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ของมนุษย์ ของร่างกายคือร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องมีการพัดพาคจากบุคคลที่เรารู้จักคนที่เรารักมีพัดพาคจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ถึงแม้จะมีเวลาแบ่งให้กับการหาความสุข แต่ก็นี้ไม่พ้นจากการที่จะต้องเจอความทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตเพราะร่างกายต่อไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็ต้องแก่ลงไปแก่ลงไปเรื่อยๆเมื่อแก่ลงไปความสามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะยากขึ้นลําบากขึ้นน้อยลงไปแล้วถ้าเกิดเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็จะเจอกับความเจ็บปวดของร่างกาย แล้วในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไปการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปราถนากันแต่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะโชคดีได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากตัวพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากหนังสือที่มีบันทึกคำสอนไว้คือพระไตรปิฎกหรือได้เจอกับพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พรงทรงสแสดงไว้ว่าการที่เรามาเวียนไหวตายเกิดอยู่นี้มีเหตุอยู่เหตุนั้นก็คือความอยากเสพการความอยากเสพรูปปฌานหรือความอยากจะเสพอารูปประชานนี่เองของพวกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเลวลาเราเส่มาแล้วเราจะติดเราจะต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆ พอเวลาที่เราไม่ได้เสพมันเราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศ้าบซ้อยง้อยเหงาไม่มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานแต่พอเราได้เสพสิ่งที่เราอยากจะเสพพอได้เสพแล้วมันก็ทำให้ใจเรามีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาได้รับความสุขชั่วคราวในขณะที่ฤทธิ์ของสิ่งที่เราเสพมันยังแสดงผลอยู่ แต่พอมิติของมันหมดไปความรู้สึกเศร้าเศร้าส้อยงอเห้เหงารู้สึกอ้างว้างเป่าเปลี่ยวเดียวดายดมันก็จะกลับเข้ามาใหม่มันก็เลยผลักดันให้เราต้องไปหาสิ่งที่เราติดมาเสพอยู่เรื่อยๆพวกที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเสพไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เราก็จะหารูปเสียงกลิ่นรสเสพกันมาทุกวันทุกเวลา ไปจนถึงวันตายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่รถใหม่ได้เราก็เลยต้องรอให้มีจังหวะที่เราจะได้ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่คือไปเกิดใหม่พอเราไปเกิดใหม่เราก็จะได้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะไดเอามาใช้ในการเสิรูปเสียงกลิ่นรส ตางที่เราเคยชอบเคยติดอยู่นี่คือสาเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆเรยพราะเรายังติดการเสพกามอยู่ติดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆส่วนพวกที่ติดรูปประชานก็ก็จะติดการเสพรูปประชานเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปเสพรูปประชานแทน แทนที่จะอยู่เป็นค า, า, ารวะผู้คลองเรือนก็มักจะออกบวชกันไปอยู่แบบนักบวชเพื่อไปหาเวลาหาสถานที่ที่สงบเพื่อที่จะได้เข้าสมาธิเข้ารูปฌานเข้าอารูปฌานกันเพราะผู้ที่เสบรูปฌานก็จะติดกับการเสพรูปฌานผู้ที่เสบรูปฌานก็จะติดกับการเสบรูปฌา น, าา น, าาานแล้วฌานนี้ก็เป็นของชั่วคราว เวลาจิตสงบเข้ารูปฌานได้มันก็จะให้ความสุขได้ชั่วคราวพอจิตถอนออกจากรูปฌานหรืออารูปฌานความสุขที่ได้ก็หายไปความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็เกิดขึ้นก็ต้องคอยกลับเข้าไปนั่งสมาธิเข้าฌานอยู่เรื่อยแล้วพอร่างกายนี้ตายไปหลังจากที่ได้ไปเกิดในรูปภพหรืออารูปภพพอ ชาญที่ส่งไปเกิดนั้นหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างรู ป, ประชาญสร้างอารู ป, ประชาญใหม่ก็ยังต้องมีอาศัยต้องยังก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี้เป็นภพที่จะตอบสนองตันหาความอยากทั้งสามนี้ได้ใครมี k าม m ทัหาก็ต้องกลับมาเติมกาม m ัหาด้วยการ มาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายของมนุษย์ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสได้ mm. พวกที่ติดกับรูปประชานรูปประชาน mm. ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm. เพื่อที่จะได้ไปเป็นนักบวช mm. เพื่อที่จะได้ไปเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตมีรูปรรประชานอารูปประชานขึ้นมา mm. ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน แล้วทุกครั้งที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการพักผา ก, กจากกันเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ไปจนกว่าเราจะได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเหล่านี้เกิดจากการมีความอยากสามประการอยากเสพการามตันหาอยากเสพรูปประชานภาวะตันหา อยากจะเสพบรรลุร ป, ประชานวิภาวะตัณหาถ้าเราไม่อยากจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ํำอีกอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่า น, นี้ให้ได้หยุดการเสพกามก่อนแล้วก็ค่อยไปหยุดการเสพรูปประชานและเสเพิรูปประชานเพราะเวลาจะหยุดการเสพกร์กได้นี่เราต้องอาศัยการเสเพิรูปประชานเป็นเครื่องมือก่อน เพราะถ้าเราไม่มีรูปประจานให้เราเสพแทนการเสพกามเราจะไม่มีความสามารถที่จะเลอกการเสพกามได้ดัง<ม>ั้นสำหรับเบื้องต้นผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพตัดชาติต้องตัดกามว่าตันหาก่อนตัดการเสพกามด้วยการไปบวชไปเป็นนักบวชหรือไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปด การถือศีลแปดนั่นก็เป็นการห้ามใจไม่ให้ไปเสพกามนั่นเองห้ามไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดเช่นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ให้เสพกามจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้กินอาหารเป็นเหมือนกินยากินมีเวลากินพอประมาณไม่ให้กินมากจนเกินไปแล้วก็ให้ละเว้นการเสพกามจากการดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆ และเป็นการเสพกามด้วยการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าพรที่สวยสดงดงามเป็นต้นแล้วก็ให้นอนไม่ให้มากเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิก็ให้นอนบนที่นอนที่ไม่สบายจนเกินไปไม่ให้นอนบนที่นอนที่มีฟูกหนาหนาให้นอนบนพื้นพื้นแข็ ง, ขง เือที่จะได้นอนหลับไม่นอนไม่นอนไม่นานเวลาร่างกายเหนเนื่อยก็จะหลับพอหายจากการเห น, นื่อยก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกจะนะจิตก็จะไม่อยากจะลุกก็อยากจะนอนต่อก็จะทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปผู้ที่ต้องการที่จะละการเสพการก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ ทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้เวลาเข้าฌานได้แล้วใจก็จะมีความสุขมีความสุขจากการเข้าสมาธิก็จะทําให้มีกําลังที่จะสู้กับความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้เวลาที่เกิดความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดก็ไปทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งๆเฉยๆให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้มีความสุขจากการมีอุเบกขามีความสงบ ใจก็จะสามารถเลิกการเสพกามได้พอเลิกเสพกามได้แล้วใจก็จะมาเสพรู ป, ปรชาญหรืออรู ป, ปรชาญแทนพอถึงเวลานั้นเมื่อเราเลิกการเสพกามได้แล้วเราก็ต้องมาเลิกการเสพรู ป, ปรชาญและอรูปชาญต่อไปเพราะถ้าเราไปยังติดอยู่การเสพรูปชาญหรืออรูปรชาญเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องตัดการติด กับการเสพรูปประชานหรือรูปประชานไปพอเรารู้ว่ามันเป็นโทษเป็นเหตุที่จะพาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <S <S 1> <S 1> เราก็เลิกได้เลิกด้วยปัญญาเราก็จะสามารถเลิกเหตุที่พาให้เราไปเวน้นว่ายตายเกิดทั้งสามเหตุได้คือเลิกเลิกการมาตัญหาก่อนความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรดด้วยการใช้รูปประชานหรือรูปประชานเป็นเครื่องมือ พอหลังจากที่เราเลิกเศษกรรมได้แล้วเราก็ต้องเลิกใช้เครื่องมือคือรูปประชานหรือรูปประชานเพราะว่าถ้าเรายังติดเครื่องมืออยู่ยังติดรูปประชานหรือรูปประชานอยู่เรายังก็ต้องกลับมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์มาบวชก็เป็นนักบวชอยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีการของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏยุติดด้วยการละความอยากทั้งสามประการนี้ ด้วยปฏิบัติด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรานี้ตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเรายังใช้เงินทําซื้อความซื้อความสุขอยู่เราก็ต้องเลิกใช้เงินนั้นเอาเงินนั้นไปทําบุญทําทานแทน ถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่ต้องทําทานเราก็มารักษาศีลศีลห้าศีลแปดตามลําดับตามกําลังของเราแล้วก็ไปเจริญจิตภาวนาขั้นแรกสมถภาวนาก็คือการเจริญสมาธิการเจริญรูปฌปานหรืออรูปฌานแล้วขั้นที่สองก็วิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาให้เราเห็นว่า การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เกิดจากการเสพกามเกิดจากการมีความอยากที่จะเสพกามเสพรูปประชานหรือเสเพลรูปประชานเราก็ต้องมาตัดความอยากเหล่านี้เป็นขั้นต้นขั้นขไปขั้นแรกก็ตัดกามะตัณหาก่อนเพราะเรายังต้องอาศัยรูปประชานหรือรูปประชานเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีรูปประชานหรือรูปประชานเราจะไม่สามารถตัดกามะตัณหาความอยากจะเสพกามได้ พอเละการเสพการได้แล้วเราก็มาตัดการเสพรูปประชานและหรืออรูปประชานพอเละได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเวีนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเด็กต่อไปเราก็จะอยู่นอกสังสารวัตที่เรียกว่นนานิพพานจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ปราศจากตัณหาทั้งสามประการคือความอยากเสพการความอยากจะเสพรูปประชานหรือความอยากจะเสพอารูปประชาน ตัดความอยากเหล่านี้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาได้แล้วใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ใจก็จะอยู่นอกสังสารวัฏอยู่อยู่นิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวความทุกข์ต่างๆนี้ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจต่อไปนี่ก็คือเรื่องของสังสารวัฏที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับการแสดงธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาาำรับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงของการมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขเพื่อที่เราจะได้ใช้ความสุขจากการเข้าสมาธินี้มาทดแทนความสุขจากการเสพกามถ้าเราอยากจะเลิกเสพกามเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้า เลิ ก, ลกดูหนังฟังเพลงเลือกหาความสุขจากการกินการดื่มเลือกจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องมาหาความสุขจากการเข้าฌานจากการเข้านั่งสมาธิถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งสงบให้เข้าฌานได้เราก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการเสกกลามนั่นเอง เมื่อเราได้พบความสุขที่ดีกว่าการเสพกามเราก็จะเลิกเสพกามได้เราก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเลิกเสพสมาธิตามลําดับต่อไป <S <S ในเบื้องต้นนี้การที่จะทําทใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธินี้เราจําเป็นที่จะต้องมีสติคอยกำกับบังคับใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับอารมณ์ กรรมฐานอันใดอันหนึ่งกรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันทรงแสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแต่เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งสี่สิบเวลาเราใช้เราใช้เพียงอันเดียวเช่นถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราใช้อนาปนานสติเราก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้ คนที่ดูดูลมเข้าออกที่หน้าท้องก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอดูเวลาท้องยุบเวลาลมออกก็ท้องก็จะยุบเวลาลมเข้าท้องก็จะพองเขาก็มักจะพูดว่ายุบหนอ่อพองหนอ่อแต่ผู้ที่ดูที่ปลายจมูกก็ไม่ได้ดูการยุบดูเพียงแต่ลมที่สัมผัสเข้าออกเป็นเครื่องยุดเหนียวจิตใจเพื่อให้จิตใจไม่ไปคิดฟุง้งซ่านไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าตราบใดใจยังคิดอยู่ ใจจะไม่สามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ต้องหยุดความคิดให้ได้ด้วยการมีสติบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้เราหยุดคิดได้ก็มีที่ใช้กันทั่วไปก็คือบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเวลานั่งสมาธิบางท่านก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบางท่านจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ หรือบางท่านยังทําไม่ได้ก็อาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทอิติปิโสไปสวดไปหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆจนกาใจจะนิ่งสงบใจจะสบายแล้วค่อยหยุดสวดแต่อย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วใจจะดิ้นเราจะรู้สึกทรมานรู้สึกอวดอัดใจจะจะไม่สามารถนั่งได้นานแต่ถ้าเรามีอะไรให้ใจทําให้ใจเพลิดเพลินใจก็จะมีความสุขใจก็จะไม่ดิ้น ใจก็อยากอยู่เฉยๆได้เข้าสมาธิได้ดังนั้นขอเวลานั่งสมาธินี้ขอให้มีสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานอันใดอันหนึ่งแล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ให้เห็นก็อย่าไปสนใจเมื่อมีเสียงภายนอกรอบข้างเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีกลิ่นมีรสมีอะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้ดึงใจกลับมาอยู่ที่กรรมาฐาน อยู่ที่ลมก็ได้อยู่ที่พุโทโธก็ได้อยู่ที่การสวดมนต์ก็ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ตามลำดับต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านจงตั้งสติดูลมหรือบริกรรมพุโทโธหรือสวดมนต์หรือจะใช้วิธีไหนที่ท่านถนัดก็สามารถใช้ได้ เ, ออเวลานั่งสมาธติตอนนี้ก็หมดลงแล้ว ถ้าวันนี้นั่งแล้วสงบก็ให้จำวิธีนั่งมาไว้พอเวลานั่งคราวหน้าก็ใช้วิธีเดิมถ้าสติเราอยู่กับลมได้ก็ใช้วิธีเดิมขอให้จดจำวิธีวิธีที่ทำให้เรานั่งแล้วสงบอย่าไปนึกถึงความสงบแล้วอย่าไปอยากให้เกิดความสงบเวลานั่งคราวต่อไปให้กลับมาทำเหมือนเดิมทำตอบเหมือนกับที่เราทำอยู่ในวันนี้ ต่อเปนี้ก็จะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตตทินังเปตานางังุะคะปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนโุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะอภิวัตนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง a ฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต296 YouTube พระสุชาติไลฟ์สอ YouTube ดรีวีชานอลล์วิทยุออนไลน์14 Clubhouse 5ผู้รับฟังธรรมะที่น่ากุฏิ243ท่านรวมทั้งหมด895ครับ เมื่อทีมีชาวต่างชาติอยากจะถามคาถาม we have a foreign visitor who would like to ask question are you here if you h e if you want to ask me the question you can come out here and speak through the microphone come come on out come here in front อาจารย์ครับ just now I uh, give you the books Uh, I think the books uh, I find it very very useful, uh, and uh, inside there I think I understand that the sufferings actually are categorized into three categories: uh, cause caused by three categories: greed, hatred, and delusion. Yeah. Uh, and in order to uh, counter greed, I think we have to have a sila and we have to have generosity dana. In order to counter hatred, we have uh, must have a Meta and uh, compassion and, uh, and loving kindness. In order to counter uh, delusion, we must have the wisdom. So uh, from these books, uh, I understand all this and uh, also that to lubricate all these six items together is mindfulness. There's the one, uh, one item that you you you told me before that is most important thing in the in the progress of a Buddhism, mindfulness. Mm. So I find this book is very very useful. Uh, I read it only this year, 2025, but it was printed in 2014. That was 10 years ago. So um, I like it very much. Therefore, I printed it myself. I reprinted 500 copies. Uh, my question actually, uh, because it's so useful, and I'm sure that 10 years uh, from now, or maybe even 20 years, 30 years, everybody's problem is still the same. Yes. So and then uh, uh, these, these books actually can provide a lot of answers to them. Uh, therefore, I actually I printed it. I I only give you one one book because I do not know uh, how many actually uh, I should because I do not want to burden you for distributing the books. Mm -hmm. So I have actually in my car forty sets. Uh, mm -hmm. uh, of course, uh, uh, I can have twenty set, forty sets, or just that one set. Inside that inside that the book I have uh, uh, leave my. Uh, Numbers, my my uh, my phone numbers in okay. Singapore as well as in the Thailand. Okay. So anybody who want to uh, have reprint of that book can contact me. I can just send it to them. Okay, yeah, good. Yeah. So so I I I my, my first question to uh, Acha n c t u uh, l y is 40 <laughs> enough or should I give you more? Oh, it's up to you. We can take anything. Okay. In that case, I will give you my 40 sides later. Okay. In in the car. You have to bring it here. I have to bring it here. Yeah. Of course, it's in, in, um, in the car, but I, I just don't want to because you I can drive know. and come in the back here. Oh, it's okay. I can carry no problem. Forty okay. uh, books is not too heavy. But we have to do it now because afterwards, when there's nobody around, I cannot handle the the books m s Sure, sure. I will. I will give it to you uh, after my question. Maybe other others. Uh, uh, I have another second question, a c h a n Um, uh, do you excuse me for? While? I need to open up uh, this. Uh, I have to show you a uh, closer story, Chan. I do not know whether you still remember this guy. Yeah. This monk, who yes. This m o n g we see. Uh, this is A Yao. A Yao. Yes. You yes. you mentioned it in your book. Yes. yes. Uh, he is actually my uh, cousin. I see. Uh, I I I know. I read this book. Nothing to do with him. It's just a separate. It just a, happened to be that. Uh, That okay. h uh, e that t h uh, he was under under u also, okay. so after that I talked to him and uh, he he mentioned that yes you he remember that you asked him to c o m e home come home to Wat y e n uh, but unfortunately he still have a uh, commitment. So his eldest son already uh, graduated now a professor in civil engineering, mm -hmm. so is uh, working already. The second son also working already in the in the Bank of China. The third daughter is actually still studying, mm -hmm. so he's waiting for the last one to come. My question to you actually, Achan. Uh, this picture is uh, very, uh, very, very fascinating to me because uh, he mentioned that this one is not, uh, is not drops, is t not water droplets. Mm. Uh, so may I know, a c h a n do you know what is it? Because it looks, uh, it looks uh, some darkness, some uh, very bright and. h e o p l e say they are spiritual beings. Like Davis, a, like that, that's that's what I thought, but I just want to hear from you directly actually. Yeah, but I don't know myself. Oh, okay, <laughs> <laughs> I cannot confirm it. I see. But this is, i s something that you cannot prove or disprove. Mm. So you just have to take it as as it is. Mm. That is just extra, uh, what you call para, paranormal e mm. experience. Mm -mm. And just just for the. Just for your information, mm. It, it's not anything special or anything bad or anything mm. like that. It's just an, a natural happening. Mm. Mm. Maybe he has many followers that they are devas, mm. and they follow him wherever he goes. I also I also believe, Achan, that the that the to in order to get rid of our kilesa, uh, we have to uh, practice. So what I have read from your book is only sutama ya panya. Yes. It s just uh, uh, understanding. Uh -huh. Of course, I have to go into the cinta maya panya yes. and b a w a a n a maya panya. Yes. So I think uh, a lot of that is uh, depends on the, our own uh, work, whether how much uh, we can uh, remove the kilesa. Yes, right. So it, it, I, I don't know. I, but I feel that uh, some of them not very bright uh, means uh, the kilesa is still a lot maybe. But some very very bright means they are more enlightened than the others maybe. y yes, e Okay. That. You can interpret it that way. I can interpret it. i anywhere you like. Okay. Uh, But I, they don't help you get rid of your d e f i e n Yes. Way. Yes. It's a. Uh, it's a. Uh, it's a. Uh, it's a. Uh, at the moment, I think the bhavana, uh, maya panya, I think is very important. I need to develop more. I okay. need to practice. I need to keep on the reducing my. You have to have samadhi to have. Yes. Bhavana, maya panya. Yes. Meditation is important. Yeah. Thank you, a j a n Just a question. Thank you for your generosity. Yeah. I'll get, get, get the book now. Okay. มีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิสองคำถามครับคำถามแรกคุณแม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายพี่สาวดูแลอยู่และรักษาแบบเชื่อหมอศัยศาสตร์ครับปล่อยคุณแม่นอนทุกทนทรมานกับโรคและห้ามใครเยี่ยมเราเป็นน้องทุกใจมากจะไปรับแม่มาดูแลตัวเราเองก็ป่วยกลัวแม่มาเป็นภาระและจะดูแลแม่ไม่ดีอีก หลวงพ่อมีคําแนะนําไหมครับควรทําอย่างไรได้บ้างและเราจะบาปไหมที่ไม่ได้เอาท่านมาดูแลให้ดีๆครับไม่บาปหรอกเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญเท่นั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งล้วก็ไม่แน่ว่าเรามาดูแลท่านเราจะดูแลดีเท่ากับเขาดูแลหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้แม่มีคนดูแลอยู่ก็ปล่อยให้เขาดูแลไปคําถามที่สองถ้าเราไม่มีเงินทําบุญ เราก็ใช้ร่างกายของเราทําบุญทําประโยชน์ต่างๆเราก็จะได้บุญอย่างนี้เราไม่ได้สะสมบุญด้วยซัพย์ถ้าไปเกิดชาติหน้าเราก็จะเกิดมาเป็นคนจนเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่เราก็ย้ายสิ่งที่เราเสียสละไปเราก็จะมีกําลังวังชาแข็งแรงไปทํางานเป็นจิตอาสาได้มีคนอยากจะถามก็ถาม สติกับธาตุรู้นี่นเหมือนกันหรือเเดี๋ยวพูดพูดผ่านทางไครโฟนหน่อยให้เขพูดให้าพูดเลยยากจะกาบเรียนถามพจาย์คว่าสติกับธาตรู้นี่มือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับคือสติเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนหนึ่งของธาตุรู้ือเป็นผู้คอยกำกับธาตุรู้ให้รู้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้ลอยไปลอยมากับอารมณ์ต่างๆ คือจะอยู่คู่กันใช่ไหมครับอาจารย์กม็มาเป็นเป็นความสามารถของธาตุรู้ธาตุรู้มีสติแต่ธาตุรู้แต่และธาตุนี้มีสติมากน้อยต่างกันคนที่มีสติมากก็สามารถที่จะทําอะไรได้ประโยชน์มากหากคนที่มีสติน้อย <P> แต่เป็นความสามารถของธาตุรู้ที่จะสามารถควบคุมธาตุรู้ให้อยู่ให้รู้อยู่กับอะไรได้นานหรือไม่ได้นานถ้ามีสติมากก็สามารถควบคุมให้ธาตุรู้อยู่กับ เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานครับก็จะได้ความสงบได้สมาธิได้ปัญญาโอ้แต่มันคือคนละอย่างกันใช่ไหมครับก็มันเป็นความสามารถของธาตุรู้ไงโอ้เป็นความสามารถของธาตุนั่ใช่ไหมครับสติกรรมักการณ์พัฒนาความสามารถนี้ธาตุรู้แต่ละธาตุก็สามารถพัฒนาได้อืถ้าเราฝึกเจริญสติบ่อยๆสติเราก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นอืจนเป็นสติมหาสติมหาปัญญาไปครับผมแล้วตัวจิต จะอยู่กับธาตุรู้นี้ไหมครับอ๋อธาตุรู้รคือตัวเจตอย่างตัวเดียวอ๋อธาตุรู้คือตัวเจ ต, ต, ตการธรรมจักการอาจารย์โอเคอ่าอมีท่านนึงเชิญกับกับเล่นมาอาจารย์ค่ะหนูขอถามนิดหนึ่งพอเราเดินปัญญาค่ะอาจารย์ค่ะคือพอเราเริ่มแยกอาการสี่สองชิ้นส่วนนะคะพอมันต้องดูยังไงคือเราแค่ว่าผมขนเล็บหรือเราก็แค่ท่องตามที่จำราที่ให้ท่อง่ะคะ เวลาเราจะพิจา<ก>รณาเธอเบืเ้องต้นก็ท่องก่อนก็ได้จะได้จําชื่อได้ก็คือพอจำชื่อได้แล้วก็นึกถึงอาการแต่ละอาการนึกภาพของเขาค่ะ <c oughs> ว่าผมเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนเราขั้นต่อไปก็จะชําชแหละมันออกมาแยากให้มันกองเป็นกองๆไว้นะ่ะเอาผมไว้กองนึงเอาเล็บไว้กองนึงเอาฟันไว้กองหนึ่ ง, ล ง, ง, ง, งแล้วก็ไล่หาดูว่าในกองเหล่านี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้าง ศึกษาแล้วถ้าเกิดสมมตพอเราเริ่มไล่ไงค่ะแล้วพอพอเราไล่ปุ๊บแล้วใจเรารู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนยังเหมือนๆๆเขาเรียกอะไรดิเหมือนมันบู๊ปอ่ะอ่ามันต้องชิดต้องใจนิ่งๆต้องมันสมาธิคือมั น, ม, นมันจะกลายเป็นเหมือนเราลุกโลนแบบมันกลายเป็นกลเหมือนเราจะเต้นถี๋<ต>ถี๋ไงเวลาเราเริ่มได้ไปค่จะพิจาารณได้เราก็คือต้องกลับมาเจริญไปที่สติใหม่สติมันสมาธิให้ใจให้นิ่งก่อนเพื่อเราจะได้ดูร่างกายด้วยอารมณ์ที่เป็นกลาง ไม่มีอคติต่อการดูของเราเพื่อค้นหาความจริงว่าตัวเราอยู่ในตรงไหนในร่างกายนี้เพราะเราอยู่ดีๆเราไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นเราชแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นเราเราต้องค้นหาดูว่า<ม>เราเราเราเราอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าอยู่ที่เล็บหรือเปล่าเวลากรอนผมไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าไม่หายค่ะไม่หายก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นขนเราไม่ได้เป็นผม เราไม่ได้เป็นอาการ3 2เลย<ะ>แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราสรุปลงเหมือนเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์<ะ>ใช้เหตุใช้ผลแล้วต่อไปเราจะได้ไม่หลงไม่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นจิตใจที่มีความสามารถที่จะมาครอบครองมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรตามความต้องการของเราได้<ะ>แต่เราความหลงของเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย พรร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นไปกับร่างกายเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกับเรารู้ว่าคนนู้นคนนี้ไม่ได้เป็นเราเงี้ยคนนู้นคนนี้เขาเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะก็ะต้องดูให้ร่างกายเราเขาเหมือนกับคนอื่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา <c oughs> ต่อไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกาย <c oughs> เวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตาย <c oughs> ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาไป ก็คือวิธีการที่มันเหมือนคล้ายกับเราหรอจิตคือเมื่อไหร่ที่ทําให้จิตเรายอมรับใช่ไหมคะพระอาจารย์คะก็ต้องให้มันเห็นความจริงไงโดยการแยกออกมาเหมือนคุณสมมติว่าคุณหากุญแจไม่เจออย่างเงี้ยแล้วคนเที่ยวอยู่ในกระเป๋าคุณก็ต้องไปเทกระเป๋าออกมาดูใช่ไหมเอาในกระเป๋านี้มีกุญแจหรือเปล่าถ้าเทออกมาแล้วไม่มีกุญแจก็แสดงว่าคุณคิดผิดนะค่ะอมิฉาทิติก็แสดงว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในกระเป๋า แต่ถ้าคนไม่เทออกมาคนก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าหรือไม่อยู่ในกระเป๋าร่างกายก็กเหมือนกันคนไม่เหมาคิดว่าคุณอยู่ในร่างกายคุณเป็นร่างกายคุณก็ต้องเทร่รางกายออกมาอาการต่าง ๆ, ๆออกมาร่างกายนี้ก็เหมือ น, นกระเป๋าเนี่ยมีหนังหุ้มหน่อยแล้วก็มีอวัยวะต่ า, างๆอยู่ภายในกระเป๋านี้แล้วก็เทอวัยวะต่ า, างๆออกมาดูถามว่ามันเป็นตัวเราตรงไหนบ้างไม่มีเลยเราก็จะได้ข้อสรุปเนี่ย มันเรียนคณิตศาสตร์หรือมัเรียนวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลักตรร ก, กะอยู่อยู่แค่สะพอ่พอสะพรทางด้านวิทยาศาสตร์เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วใจเราจะไปอยู่ตรงไหนต่อคะ <c oughs> คือมันเหมือนก็แ ย, <c oughs> ยกออกแ <c oughs> ยกออกมา <c oughs> ทําสมาธิไปไงก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ถ้าเวลาใจเราไปทุกข์กับร่างกายเราก็ดึงใจออกมาด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธแยกออกมาเวลาที่เรานั่งสมาธิเราดึงใจออกจากร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับร่างกาย ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ดึง อ, ออกมาไม่ได้เราก็ยังคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่เราก็จะทุกข์ไปตามที่ร่างกายเป็นอะไรค่<ฮ>ะงั้นต้องฝึกสมาธิให้มากๆพอเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ถอนใจออกมาอย่าไปยึดไปติดมัน <ฮะ S 1> ให้รู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เรารักษาก็ได้ก็รักษาเขาไป <ฮะ S 1> หาหมอได้ก็หาหมอไปกินยาได้ก็กินไปถ้าหมอบอกรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไป แต่เราไม่ได้ตายไปกับคนคนรับใช้เราเท่านั้นเอง<ฆ>เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปแล้วหนูถามอนิดนึงเวลาเรานั่งสมาธิค่ะพอเราปรับนิ่งลงไปเแล้วพอมันมีเสียงดังมา น, นิดนี่ค่ะใจมันจะวืดขดใจมันจะต้นยังไม่นิ่งเต็มที่ต้องทำต่อไปต้องปฏิบัติถ้าไม่นิ่งเต็มที่แล้วมันจะเฉยๆ<ฆ>อะไรมันกระทบมันก็เฉยๆไม่มีความรู้สึกรักชังกลัวหลงสักแต่ว่ารู้ไป มันเหมือนมันจับสติไม่ทันพอมันเหมือนมันได้ยินเสียงแอบชันแล้วมันแบบแรงบางทมันอาจจะเบาก็ได้ค่ะมันใจมันจะแบบสั่นกับเขาไปเพิ่มอย่างนี้มันยังไม่นิ่งเต็มที่มันยังไม่เข้าถึงจุดที่มันไม่มีปฏิกิริยากับอาการอย่างตัางทําต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปพุทโธก็พุทโธต่อไปนคโอเคคาถามต่อจากผู้รับฟังหน้ากุฏิรูปประชานคือฌานที่มีรูปหมายถึง เข้าชาญแล้วเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆและอรูปฌานคือฌานที่ไม่มีรูปคือมีแต่ความสงบไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับต้องไปอ่านคุณสมบัติของฌานต่างๆเช่นฌานขั้นที่หนึ่งจะมีวิตตกวิจารมีมีสุขมีอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นรูปพวกนี้เป็นรูปอันเป็นนาการของฌานแต่พอเลย่ฌานสี่ไปแล้วนี่มันจะเป็น เป็นเป็นความว่างเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับสัญญาก็ไม่มีเมตนาก็ไม่มีหรือปัญญาณก็ไม่มีหรืออะไรทั้นองเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วต้องไปเปิดดูอีกทีหนึงถึงจะรู้ว่ามันเป็นเป็นลักษณะอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นนรูปประชานแต่เราเวลาปฏิบัติจริงๆเราไม่ต้องเข้าถึงนารูปประชานก็ได้ถ้าเราได้รูปประชานสี่แล้วก็ถือว่ามีมีกําลังพอที่จะไปใช้ต่อสู้กับการกําจัดกิเลสได้ แต่บางคนมีสติดีสามารถเข้าถึงอรูปฌานได้เขาก็เข้าอารูปฌานก็สามารถใช้เป็นสมาธิใช้เป็นผู้สนับสนุนปัญญาเพื่อเพื่อลกกักิเลสได้เหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณมิสผมได้นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธดูลมเข้าออกและรู้สึกเห็นแสงจ้าน้ําตาไหลสะอื้นเองไม่สามารถควบคุมได้ครับ หลังจากเข้าสมาธิได้สักครู่หนึ่งสมาธิก็หลุดไปเช่นนี้ผมควรฝึกอย่างไรต่อไปครับก็กลับมาที่สติอันนั้นสติเราขาดมันก็เลยกวบคุมอาลมไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณอาบุคคลเป็นผู้มีอุเบกขามีสติทุกเมื่อคือคุณสมบัติของพระอริยบุคคลใช่ไหมครับยังไม่ใช่หรอกเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ก้าวชานได้ ผู้ที่เป็นอริยบุคคลนี้จะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็วางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยปัญญาคำ <c oughs> ถ, ถามต่อไปจากคุณโอในขณะที่ฟังเสียงหลวงพ่อเทศลูกจะมีอาการกายโยกแล้วกายก็จะเบาสบายเหมือนลอยเวิร์งว้างอยู่ในอากาศลูกควรจะแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็คนที่ไม่ควรจะปล่อยให้ใจร่างกายโยกร่างกายควรจะอยู่เฉย ถ้าปล่อยให้โยกก็แสดงว่าเราไม่มีสติควบคุมพอต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้ให้กอดติดอยู่กับการฟังรรแต่อย่าปล่อยให้ร่างกายโยกถ้ารู้ร่างกายโยกก็หยุดมันเสีย คำถามต่อไปจากคุณสนิทานเวลาที่นั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบสบายน้ำตาไหลอยากร้องไห้แต่ก็พยายามตั้งสติต่อไปไม่สนใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับผมแล้วพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับมันให้รู้เฉยๆแล้วกลับมาภาวนาต่อคาถามต่อไปจากคุณแนดะ อยากทราบว่าอาการของการทําสมาธิที่เกิดอาการเหมือนจะหมดลมหายใจเหมือนใจจะขาดตัวเกรงท้องเกรงไปหมดทั้งตัวต้องแก้ไขอย่างไรครับให้รู้เฉยๆไปเพราะาตอนนั้นจิตกำลังจะปล่อยวางร่างกายมันอาจจะรู้สึกขาดใจตายไปถ้าขณะที่ใจรวมเข้าสู่สมาธิแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองมันปล่อยร่างกายปล่อยลมมันก็เหมือนคนหายใจเฮือกสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วจิตก็จะนิ่งสงบ สบายมีความสุขยังให้รู้เฉยๆไปอย่าไปตื่นเต้นตกใจมีสองคำถามจากทาง Facebook ครับคำถามแรกถ้าเราตำหนิติดเตียนกล่าวโทษพระอยู่ในใจพระที่ท่านประพฤติไม่ดีเราจะเป็นบาปกรรมหรือไม่ครับเราควรจะมาตำหนิตัวเราจะดีกว่าตำหนิผู้ไม่ได้เปิดเราไม่ได้ประโยชน์อะไร ตำหนิตัวเราเราจะได้ประโยชน์เพราะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้นงั้นไม่ควรไปตำหนิผู้อื่นเลยเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาไปคำถามจากคุณจรัญญาอารมณ์ขุนมัวที่เกิดในใจมันเป็นบาปใช่ไหมครับมันเกิดจากการที่เราคิดตอนที่อายตนะอายตนะไปสัมผัสเราเอามาปรุงแต่งแต่ถ้าเราสามารถตระงับทันไม่ให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อง ต้องมีสติตลอดเวลาพอจิตจะปรุงแต่งขึ้นมาก็ระ ง, งับดับมันเสียถ้ารมขุนมัวก็จะไม่เกิดมีคําถามเข้ามาครับจากคุณวาสนาการรักษาพรหมจันทร์เป็นมงคลอันสูงสุดคุณและประโยชน์ที่เราจะได้รับคืออะไรครับก็เราไม่ต้องกลับมาเกิดในกาลมาพบเราถ้าล ร, ราเลิกกรมได้เราก็จะไปอยู่ที่รูประพบเลือกรูประพบหรือไปนิพพานต่อไปผู้ที่จะไปนิพพานนี้ต้องละกรรม การละละการเสดการเสพรูปประชารูปประชาณให้ได้ถึงจะไปสู่พระนิพพานได้ครับคำถามจากคุณสันถ้านั่งสมาธิแล้วน้ำลายชอบไหลอันนี้เราต้องอดอาหารหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่เกี่ยวปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปสนใจอย่าไปกกินน้ำลายถ้าเรากลับไปเกินน้ำลายเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่การภาวนานี้เราต้องการแยกใจออกจากร่างกายพอเราเริ่มภาวนาแล้วทิ้งร่างกายไปเหมือน มันจะมันจะเจ็บตรงไหนจะน้ําตาจะคันตรงไหนมันน้ําลายจะไหลก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับการภาวนาของเราแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านี้มันก็จะหายไปจากใจไปคําถามจากคุณเจริญใจที่ชอบคิดถึงเรื่องเก่าและกังวลในสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่พยายามจะอยู่กับปัจจุบันลูกต้องทําอย่างไรให้หยุดความคิดฟุ้งซ่านนั้นให้ได้เร็วที่สุดครับ เพราะมันทำให้เราปวดหัวครับใช้สตินงพอคิดถึงอดีตก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธนึ่งจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันคำถามต่อไปจากคุณพอดีตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันประมาณสี่สิบกว่าปีมาแล้ว บ่อยครั้งที่จะตั้งสติทำอะไรสักอย่างมักจะมองเห็นการหายไปของทุกอย่างจนเหลือแต่ความมืดมิดว่างเปล่าเริ่มจากคนสัตว์และสิ่งของตึกรามบ้านช่องก็หายไปต้นไม้ลำทานก็ทะเลก็หายเหลือโลกกล ม, กลม แล้วโลกก็หายเหลือดวงดาวต่างๆกระจายอยู่สักพักดาวก็หายไปเหลือแต่ความมืดมิดว่างเปล่าอารมณ์ตอนนั้นไม่ตกไม่ตกใจแต่ก็ทำให้มีสติดีขึ้นสภาวะแบบนี้มันคืออะไรครับไม่ต้องสนใจชื่อมันหรอกให้รู้วิธีปฏิบัติก็ให้รู้เฉยๆไปให้มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปหลงตามมันหมดแล้วครับหมดแล้วนะอีก ใ, ใครอยากจะถามอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีก็เวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำอางสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน